โดยอาศัยสัญชาตญาณรักษาความสะอาดลานของมันนี่แหละเป็นเครื่องฆ่าตัวมันเองคือเขาจะเอาไม้ไผ่ยาวสักสองสามคืบมาเหลาวิธีเหลาก็เหลาเฉพาะครึ่งหนึ่งของไม้ไผ่นั้นให้บางและคมราวกับใบมีดทั้งสองคมขนาดกว้างประมาณ1เซนติเมตรส่วนอีกครึ่งไม่ต้องเหลาแล้วเอาด้านที่ไม่ได้เหลาย่องไปปักแน่นไว้กลางลานในเวลาที่มันออกไปหากินห่างจากลานโดยให้ไอ โดยให้ใบอันเหลาไว้อย่างคมกริบนั้นโผพ้นดินขึ้นมาราวๆคืบกว่าๆพอมันกลับมาถึงลานเห็นใบไม้ไผ่ปักเกิกะลกตาอยู่กลางลานอันแสนหวงแหนของมันเช่นนั้นมันก็พยายามหาวิธีเขีย่ยออกไปให้พ้นแต่ไม้ไผ่อันนั้นปักแน่นเกินกว่าที่มันจะจิกหรือคุ้ยให้ออกไปได้ในที่สุดมันก็จะใช้รำคอยาวของมันพันเข้ากับไม้ไผ่อันคมกริบนั้น เอาเท้ายันพื้นแล้วกระชากถอนขึ้นโดยแรงเพื่อจะให้ดูดตามภาษาของมันแล้พินหยุดพูดลงเพียงแค่นั้นอันเป็นเวลาเดียวกับที่หม่อมราชวงหญิงดาลินร้องอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งยกมือขึ้นรูบลําคอตัวเองอย่างหวาดเสียวสีหน้าสยดสยองคุณพระช่วยนึกออกหรือยังครับนกว่าเจ้ากรรมนั่นจะมีสภาพเป็นอย่างไรจริงหรือนี่โทษ ตัวไหนตัวนั้นแหละครับไม่มีรอดพานก็ไม่ต้องมานั่งจับเชื้อคอยสียเวลาถอนขนลงหม้ อ, อกแกงได้เลยแหมร้ายกาจจริงมนุษย์หนอมนุษย์หล่อนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะให้เกิดปักไม้ไผ่ไว้อย่างที่ว่านี่พรุ่งนี้ใส่สายหน่อยคุณหญิงมาดูได้ขอให้คุณตกนรกอย่ารู้ผุดรู้เกิดถ้าคุณเคยฆ่ามันมาด้วยวิธีนี้มาแล้วอ้าว ให้ไปแช่งเขาอย่างนี้ล่ะชายยันส ก, กิดหลังเพื่อนสาวร้องท่วงมาไม่เป็นไรหรอกครับเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นแม้แต่ครั้งเดียวพานใหญ่หันไปบอก ย, ยิ้มยิ้มกับชา ย, ยันเกิดกระพริบตาปริบปริ บ, รบอึบอักอยู่ในรำคอแล้วก็ยิ้มแหง้แหงๆยกมือขึ้นไหวดารินท่วมหัวบอกอ่อยๆเกิดเคยทำครั้งหนึ่งนายหญิงอย่าแช่งเกิดทุกคน ยกเว้นดาลินและแง่สายยืนห่างออกไปพากันหัวเราะคลื่นขึ้นหญิงสาวจุ ป, ปากเบาๆยกมือขึ้นชี้หน้าพรานพื้นเมืองของรพินอ้อเราหรือตะเกิดใจคออมมหิตเลือดเย็นหนอเกินนะคราวหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะรู้ไหมครับเกิดไม่ทำแล้วพรานใหญ่ก็ห้ามเกิดไม่ให้ทำใกล้ๆกับบริเวณรานนกว่าเป็นซอกถ้าเล็กๆในหลือผินใหญ่สองรูป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 เพราะชีวิตของรูปผู้ชายแบบกล้าวๆทำให้ทั้งสองผ่านเหตุการณ์ชนิดนี้มาบ้างแล้วและเข้าใจได้ดีตลอดตลอดจนสามารถทำตัวให้กลืนสภาวะสิ่งแวดล้อมได้อย่างสนิทส่วนหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินวราลิศครุบคลับเล็กน้อยเพราะไม่คุ้นมาก่อนพรานใหญ่รอบชำเรืองมองดูรอนด้วยความสมเพศที่ต้องมาเชิญกับสภาพอันแท้จริงของอย่างที่เรียกกันว่านอนกลางดินกินกลางป่าเช่นนี้ แต่แล้วก็ปลอดโปร่งใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นหญิงสาวไม่ปิดปากบนหรือแสดงข้อรังเกียดใดๆทั้งสิ้นตรงข้ามรอนพยายามอย่างยิ่งที่จะทำตัวให้เข้ากับสภาพได้อย่างสนิทโดยไม่สอ่อพิรุษอะไรออกมาทั้งสิ้นพระผินซ่อนยิม้มรอพินิษ ด, ดูราชสกุลสาวสวยอยู่ตลอดเวลาใบหน้างามนั้นขมุกคคามมองไปด้วยฝุ่นและคราบเหงือ่อนั่งชันข่ากับพื้นปรูรองไว้ด้วยใบยไม้หลังพิงกอไผ่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 เมื่อมาประกอบกับสิ่งแวดล้อมและการเป็นอยู่อย่างกรากรำเช่นในคืนนี้บ่อยครั้งที่หล่อนมองไปพบตาเขาแล้วจ้องนิ่งเหมือนจะคอยระแวงว่าเขาจะคอยสังเกตจับผิดอะไรหลอนอยู่พรานใหญ่รีบเมินหลบไปเสียคณะนายจ้างทั้งสามกินกันได้มากเพราะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันและบรรยากาศที่ผิดประจากที่เคยกินกันตามปกติในแค้มใหญ่ซึ่งสุขสบายมีอะไรพร้อมทั้งทั้ที่อาหารก็มีแต่เพียงข้าวน้ําพริกปลา และเครื่องกระป๋องเท่านั้นหลังอาหารต่างดื่มกาแฟและสูบบุหรี่ร้อมวงสนทนากันเบาๆภายในเพิงพักนอนซึ่งความจริงก็มีเพียงผ้าพลาสติกสองผืนพื้นหนึ่งปูพื้นอีกพื้นหนึ่งขึงกัน้นกันน้ำค้างเท่านั้นเกิดกับแง่าสายจัดการขยายไฟที่ใช้หุงาหาอาหารเมื่อสักครู่นี้ให้กลายมาเป็นไฟสุมโดยก่อไว้3ด้านแทนกาแพงหรือผนังส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นติดกับกอรูปอนาทึบอยู่แล้ว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 ก็ขยับเลื่อนให้เข้ามาชนติดกันอีกซึ่งพรานใหญ่อธิบายว่าไฟชนิดนี้ชาวป่าเรียกว่าไฟรุ่งสะดวกในการก่อไว้ให้ติดอยู่ได้ตลอดทั้งคืนโดยไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาพวงคอยฝเฝ้าเติมเชื้อบ่อยๆไฟรุ่งชนิดนี้จะคู่กลุ่นกินลามไปทีละน้อยโดยไม่เกิดเป็นเปลวขึ้นอันเป็นลักษณะเดียวกับไฟสุมอนใช้ใช้ประโยชน์เฉพาะก่อไว้เป็นเพื่อแป้องกันสัตว์ร้าย ที่จะแผ่วผ่านเข้ามาใกล้เท่านั้นแต่ถ้าต้องการเปลวแสงเมื่อใดก็ทำได้โดยไม่ยากคือนำกิ่งไม้และใบไม้แห้งหรือเชื้อเท่าที่จะหาได้เข้าไปสุมแล้วเป่าลมเปลวไฟก็จะลุกติดสว่างขึ้นมาทันทีเมื่อต้องการจะดับก็เพียงแต่พรากขอนไม้ให้ห่างออกจากกันและโกยฝุ่นหรือดินกรบเท่านั้นเชษฐาศึกษาและสอบถามถึงวิธีก่อไฟในลักษณะต่างๆของพวกพราน่าอย่างสนใจ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 ไม่มีกองเกวียนหรือพวกลูกหาบอันนอนอุ่นคับข้างที่เคยรายร้อมรอบด้านอันตรายอันมองไม่เห็นและทานายไม่ถูกมันสามารถจะมาได้รอบทิศในเวลาใดก็ได้ทั้งสิ้นแม้จะเต็มไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวดารินก็อดจะพรั่นเสียไม่ได้เมื่อกว่าสายตาไปรอบด้านบรรยากาศมันไม่ผิดอะไรกับคืนที่รอนเปนั่งห้างอยู่กับพรานใหญ่เมื่อคราวยิงกระทิงอบอุ่นนิดที่ยังมีกองไฟสุม และมีจำนวนคนนอนอยู่ร่วมกันอยู่ถึงหคนแต่ก็น่าจะเสียงยิ่งกว่านอนห้างเพราะนอนอยู่กับพื้นดินกลางด่านสัตว์หลอนถามตนเองว่าคืนนี้หล่อนจะเกิดอุปท า, านมองเห็นหรือได้ยินอะไรต่ออะไรเหมือนเมื่อคืนที่นอนห้างอีกไหมเนอเพราะถึงอย่างไรเสียมันก็เป็นการพักนอนอยู่กลางป่าโดดเดี่ยวไม่เหมือนกับความอบอุ่นที่ได้รับจากกระโจมเต็นท์อันแข็งแรงซึ่งเปรียบเหมือนบ้านที่มีผนังบังรอบด้าน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 และความห่วงกังวลชนิดนั้นเองที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการสกัดขัดขวางไม่เต็มใจที่จะให้รอนร่วมทางมาด้วยก็ถูกของเขาแล้วชีวิตสมบุกสมบันกลางดงเช่นนี้มันเหมาะสมแต่เฉพาะชายชาติอกสามศอกที่มีนิสัยรักในการผจญภัยสุดยอดเท่านั้นหาเหมาะควรกับผู้หญิงไม่เพราะมันเตไปด้วยความลำบากลบากลบนร้อยแ0ประการหาความลำบากทางานใดๆเสมอเหมือนไม่ได้อีกแล้ว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 มันเป็นเสียงคล้ายๆน้ำกระชอกเบาๆอยู่ในแอ่งที่ใดที่หนึ่งเบื้องหลังกอรว่วที่ตั้งแคมป์พักกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งห่างออกไปไม่ไกลนักราวกับสัตว์อะไรชนิดหนึ่งลงไปเกลือกปลักเล่นคันแล้วก็เงียบหายไปหมูชายยันกระซิบอาจเป็นสมเสร็จเชืถาแยงแล้วต่างก็มองไปทางพรานใหญ่เป็นตาเดียวเหมือนจะขอความเห็นแลพินกัดริมฝีปาก ตะแคงหูจับเสียงอย่างระมัดระวังสีหน้าของพรานใหญ่มีแววฉ ง, งนกังขาอย่างไรพิกลคณะนายจ้างทั้งสามก็ขยับลุกขึ้นจากการนอนพักกันอยู่อย่างผ่อนอารมณ์นั้นพร้อมกันหมดโดยเงียบกิบอีกอึดใจใ ห, ใหญ่ต่อมาเสียงแผ่วเบานั้นก็ดังแววมาอีกแต่ในคราวนี้มันดังแปลกออกไปเชี่ฐากับชายยันกับพริบตาทีๆหันไปมองหน้ากันเองแล้วเปลี่ยนไปจ้างละพินอีกครั้ง เหมือนไครมาวิตน้ำอยู่ในน้องหัวหน้าคณะเดินทางกระซิบเบาที่สุดจริงตามที่เชษฐาพูดเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนใครเอาผวยหรือภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งวักน้ําในแอ่งขึ้นศาสตร์เสียงดังซาซาอยู่เป็นจังหวะสม่ําเสมอจะว่าเป็นอาการดําผุดดำํำไหวของสมเสร็จหรือการพลิกตัวเกลือกปลักของหมูป่าก็ใช่ที่แง่ทายกับเกิดก็ผุดลุกขึ้นยืนในบัดนั้นราวกับนัดกันไว้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 ทั้งหมดย่องด้วยฝีเท้าแผ่วเบาอ้อมหลังกอรวกแล้วเดินไปตามด่านเล็กๆซึ่งเทราดไปสู่แอ่งน้ำในระหว่างโขดหินที่งอกอยู่สลับซับซ้อนโดยการนำของนานพลายใหญ่ต่างมีไฟฉายพร้อมอยู่ในมือทุกคนแต่ปล่อยให้ดพินฉายไฟนำทางแต่เพียงดวงเดียวซึ่งเขาใชา้กดต่ำจำกัดลำแสงเฉพาะส่องให้เห็นทางเดินเท่านั้นเสียงวิทน้ำซาซานั้นยังคงดังอยู่เป็นจังหวะและยิ่งได้ยินชัดเจนทุก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 ซึ่งมีอนาเขตติดต่ออยู่กับแอ่งน้ํากว้างใหญ่โดยมีรากสายใหญ่ขวางกั้นเป็นทํานกไว้ความจริงแอ่งทั้งสองด้านก็คือแอ่งกว้างที่มีอนาเขตอันเดียวกันนั่นเองแต่ความที่ระดับน้ําในแอ่งลดน้อยลงจึงทําให้รากใหญ่ตอนนั้นกลายเป็นทํานกแบ่งออกเป็นสองตอนเจ้าสิ่งนั้นเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้มันกําลังโยกตัวแกว่งไกวไม่ผิดอะไรกับเปยวนทุกครั้งที่มันแกว่งลําตัวนั้น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 เชถาถามต่ำๆในราคอมันก็ฉลาดพอที่จะคํานวณได้เหมือนกันครับว่าระดับน้ําที่มันจะวิ่ดเพื่อจับปลานั้นมีอยู่ขนาดไหนถ้าเหลือความสามารถของมันมันก็จะไม่วิ่ดถ้าเห็นว่าพอจะวิ่ดได้มันก็เอาดูสิครับน้ําในแอ่งที่มันกําลังวิ่ดอยู่นั่นเหลืออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้นมันวิ่ดอย่างนี้อีกสักสองชั่วโมงก็ลงไปจับปลากินได้อย่างสบายแล้วรู้สึกว่าปลาตรงนั้นจะชุมเดีเสียด้วยดิ้นกันออกพล่านไป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 ส่วนศรีรษะหันเข้าทางก่อรวกทึบพื้นที่บริเวณนั้นเทราดน้อยๆตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้วทิศทางด้านศรีรษะในเวลานอนจึงสูงกว่าระดับปลายเท้าเล็กน้อยจัดว่าเป็นที่นอนที่เหมาะยิ่งเพราะในทันทีที่ลืมตาก็สามารถมองกลาดไปได้รอบตัวอย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นจะต้องผงกคอหรือขยับขยืขย่นลุกขึ้นเชิดากับชายยานตรวจดูความเรียบร้อยของไรเฟิลประจําตัวอีกครั้งพร้อมกับไฟฉาย แล้ววางขวางไว้บนด้านศีรษะในระยะที่สามารถจะเอื้อมหยิบได้ในฉับพลันไม่คลุกคลับส่วนปืนสั้นไม่มีใครถอดออกจากเอวหัวหน้าคณะเดินทางกวาดสายตาไปรอบๆอีกครั้งก่อนที่จะเอนตัวลงนอนเขาอยากจะเอ่ยปากถามรับินถึงเรื่องเวรยามแต่แล้วก็ล้มความตั้งใจเสียเพราะเชื่อมืออยู่เต็มเปี่ยมถึงอย่างไรการพักแรมในคืนนี้ก็มีพรานใหญ่นอนเคียงข้างอยู่ด้วยทั้งคน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 ที่นี่ไม่ใช่แคมใหญ่ของเราเชษฐาหันไปเตือนเพื่อนและน้องสาวเบาๆชายันตขยี่ก้นบุรีดับตรงกับพื้นแล้วอ้าปากหาวเงยหน้ามองดูดงคาใบรวกที่แผ่ปกคุมอยู่ตามธรรมชาติถ้าฝนซัดคืนนี้ก็งามไปเท่านั้นคงไม่รอกครับคืนนี้ฟ้าโปรงพลานใหญ่ตอบมาห้าวๆมีเสียงพูดอะไรกันอีกคํางคําระหว่างคณะนายจ้างของเขาเสียงพริกตัว เพื่อจะขยับหามุมนอนให้ถนัดแล้วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกปกคลุมอยู่ในความเงียบของพงไพรา ย, ยามรัติการนอกจากสำัสำเนียงของดุดยางป่าซึ่งเบลงไปตามธรรมชาติปกติของมันเย็นเยือกสถานวังเวงจับใจระพินลุกขึ้นเดินไปรินกาแฟที่แงซายต้มใส่กะติกแขวนอยู่ที่หลักไม้งามดิมกองไฟขึ้นดื่มแล้วหยุดยืนปล่อยอารมณ์ยุดที่นั่นหันหน้าออกไปยังราวป่าใหญ่ เดือนข้างขึ้นจัดรอยตัวโผพ้นทิวเขาขึ้นมาแล้วทอดแสงรางๆสองลอดใบไม้ลงมาจับอยู่ต่ำพื้นแนละพุ่มไม้เตี้ยรอบด้านเห็นเป็นแถบจางๆอยู่ทั่วไปความมืดดุดสีดำสนิทที่ครอบกลุมไว้นับตั้งแต่ตะวันตกดินเริ่มจะสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นไกลออกไปเบื้องหน้าทางด้านเหนือมองเห็นเกา ะ, ะระเมาสลับไปกับทุ่งโล่งเป็นเงาราง ๆ, ๆอยู่ในรัศมีเงินยวง ปหนึ่งอสูรซึ่งนั่งเรียงรายอยู่ในลักษณะต่างๆกลายลิปออกไปอีกเท่าที่สายตาจะส่งไปได้ในแสงราตรีอันอัมภายนั้นคือถิวของขุนเขาต่างานพุ่งยอดขึ้นไปเสียด ฟ, ฟ้าลมป่าระรวยอยู่แผ่วๆกิ่งไม้ใบเปลือกไหวกระทบกันมีเสียงเหมือนคนกระซิบกระซาบและคนไปกับสำเนียงเพลียของลองใในไร่ป่านานๆจะแว่วเสียงช้างร้องรอยตามลมมาจากชายขาห่างไกล กลิ่นดอกไม้โดงโชยกระจรมาอบอวนบางขณะก็เจือจางบางขณะก็ตลบไปหมดตามทิศทางของลมคล้าวมาด้วยละอละอองหมอกและน้ำค้างมันเป็นคืนที่รบกวนอารมณ์อย่างประหลาดร้าและเพินภัยวันคุ้นคิดตรองหาสาเหตุแล้วก็หงุดหงิดตัวเองมีเสียงกริ๊กดังใกล้ๆตัวขึ้นทางเบื้องหลังพร้อมกับเปลวไฟดังพลึบเบาๆนั่นเป็นเสียงไรเตอร์แบบซิปโป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 ถ้าเป็นเสือป่านนี้รับพินภายวันก็คงหนังหัวถลกไปแล้วอาจจะร้ายยิ่งกว่าเสือก็ได้นะทราบมานานแล้วตั้งแต่เห็นครั้งแรกทีเดียวแหละทำไมฉันเป็นพิษเป็นภายตต่คุณมากนักหรือในด้านหัวใจยุ่งในด้านอารมณ์พลั้นในด้านภาระรับผิดชอบหนักต้องการคำอธิบายชัดสักหน่อยเกี่ยวกับยุ่งและพลัน ไม่มีคำอธิบายเงาโปรง่งงามเหมือนนางไม้จำแรงก้าวราำจากเบื้องหลังของเขาเฉียดไหลไปหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าทอดสายตากราดแรไปในความเรืองของแสงจันที่ชา ป, ป่าสูดลมหายใจลึกพระจันทร์เพิ่งขึ้นป่าคืนนี้สวยเหลือเกินเป็นเสียงที่เหมือนกับจะรำพึงขณะนี้เป็นเวลานอนไม่ใช่เวลาชมป่าในแสงจันทร์ จะมีลูกจ้างที่ไหนในโรกนี้อีกไหมนะที่ใช้วาจาเป็นการออกคําสั่งบีบบังคับนายจ้างอยู่เป็นประจำเช่นนี้แนะนําไม่ใช่ออกคําสั่งบีบบังคับและถึงแม้จะเป็นลูกจ้างก็ถูกจ้างมาอยู่ในฐานะคล้ายๆครูผู้ฝึกสอนถ้าลูกศิษย์ผู้เป็นนายจ้างอวดดีกับครูผู้เป็นลูกจ้างก็ไม่จําเป็นจะต้องจ้างครูมาให้เสียเงินเสียเวลาคิดว่าจะเป็นครูไปเสียทุกอย่างงั้นหรือ ทุกอย่างอันเกี่ยวกับป่าแต่ฉันไม่ใช่เด็กทารกอมือนะแต่ก็เป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวหนักยิ่งกว่าทารกอมมือเสียอีกหล่อนหัวเราะนานๆไปฉันชาชินกับว่าจาก้าวร้าวสามหาวของคุณจนเห็นเป็นเรื่องขบขันเป็นเสียแล้วละ่ะก็คงจะพอๆกับความชาชินของผมเกี่ยวกับเรื่องอวดดีเอาแต่ใจตัวของคุณหญิงนั่นแหละตางามคุณนั้นหลีลง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 ใช้ไฟฉายส่องเด็ดดอกไม้ป่าที่ชูช่อขาวสร่างชนิดหนึ่งมาสองสมช่อแล้วนำกลับมายื่นส่งให้หญิงสาวโดยไม่พูดอะไรดาลินห่อปากเบิกตาโตอย่างดีใจรับมายกขึ้นสูดกลิ่นและหัวาะ อ, ออกมาเขาเห็นความงามอันเจ็มใสของใบหน้านั้นเป็นครั้งแรกมันเป็นไปตามธรรมชาติของเพศแท้จริงอู้หอมจังขอบใจมากในพรานดอกอะไรนี่